สิขาบทวิพัง4ี่าคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่ได้แก่ภิกษุรู้เองคนเหล่าอื่นบอกภิกษุนั้นที่ชื่อว่ากลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรได้แก่พวกโจรผู้เคยทาการปล้นแล้ว หรือยังไม่เคยทำการปล้นผู้ลักของหลวงหรือเลี่ยงภาษีคำว่ากับคือโดยความเป็นอันเดียวกันคำว่าชักชวนกันคือชักชวนว่าพวกเราไปกันเถิดท่านพวกเราไปกันเถิดท่านผู้เจริญไปกันเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปกันเถิดท่านพวกเราจะไปวันนี้พรุ่งนี้หรือมอรืนนี้ต้องอาบัตรทุกกฎคาว่าโดยที่สุดแม้ช่วยละแวกหมู่บ้านหนึ่งคือหมู่บ้านหนึ่งกาหนด ช่วไก่บินตกภิกษุต้องอบัติปาิจิตีทุกๆละแวกหมู่บ้านในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านภิกษุต้องอบัติปาิจิตีทุกๆระยะกึ่งโย์